MP3 แผนที่21ที่จะออกต่อชุมชนและสังคมที่พวกเราจะได้ฟังเพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาแต่เรื่องแผนที่20หลวงพ่อก็ได้พูดว่าถ้าหากว่า MP3 ของหลวงพ่อออกมาแล้วมีแต่ผลิตอย่างเดียว โดยที่ไม่ได้ดูตลาดคือผู้ที่รับนำไปฟังนำไปประพฤติปฏิบัติสินค้าที่ออกมาก็จะล้นตลาดและก็เป็นที่ตำหนิของคู่คนทั้งหลายเพราะนั้น MP3 แผ่นที่21จึงเว้นระยะห่างกันพอสมควรแต่ก็ได้ยินเสียงเรียกร้องจากศรัทธาญาติโยม หลายคนว่าข อ, อนุโมทหลวงพ่อได้ผลแผ่นที่2 1ิอออกมาสู่ชุมชนสังคมเพราะได้ฟังแล้วเกิดประโยชน์ต่อผู้ได้ยินได้ฟังถ้าผู้สนใจแล้วก็เกิดประโยชน์แก่ผู้ได้ยินได้ฟังเพราะนั้นหลวงพ่อได้นำมาพิจารณาให้ควรทบทวนไตรตองดูแล้วก็เห็นว่าน่าจะออกแผ่นที่21 พอนั้นจึงได้ผลิดแผ่นที่21ขึ้นมาแต่กติธรรมแผ่นที่21หลวงพ่อให้กติธรรมว่าสินธรรมสำคัญแท้ขอเพียงแต่เอาใจเขามาใส่ใจเราคือสินถ้าจะว่าตามกฎคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสินห้าประการ ถ้าเราพิจารณาเป็นข้อๆก็ศินข้อที่หนึ่งการไม่ฆ่าคนอื่นเราไปฆ่าเขาเขามาฆ่าเราถ้าเราไปฆ่าเขาเราก็มีมีความรู้สึกแต่เขามาฆ่าเราฆ่าวงศาขนาญยติของเราเราจะเสียความรู้สึกอย่างมากข้อที่สองข้อที่สข้อที่สก็เช่นเดียวกันแล้วข้อที่ห้า การดื่มสุราเข้าไปแล้วขาดสติเมื่อขาดสติแล้วทำความชั่วในทุกอย่างเพราะเหตุว่าคนเมาคนขาดสติเพราะนั้นถ้าว่าคนขาดสติถ้าเขาขาดสติแล้วมาทำให้แก่เราเรามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเราทำขาดสติเราไปทำให้แก่เขาเขามีความรู้สึกอย่างไรอย่างเราขาดสติเราขับรถไปชนเขาตายอย่างนี้ เขามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเขามาชนเราเร า, ามีความรู้สึกอย่างไรเพราะนั้น MP สแผ่นนี้หลวงพ่อจึงให้คติธรรมว่าศีลธรรมสำคัญแท้ขอเพียงแต่เอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าว่าพวกเราอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะแล้วก็ให้รู้จักใจเขารู้จักใจเรา MP สของหลวงพ่อ ทั้งหมดทั้ง21แผ่นให้พวกเราได้ศึกษาให้ละเอียดทีท่วนดูจะมีทั้งคดีโลกและคดีธรรมคละเคล้ากันและแต่สรุปแล้วก็คือไม่ได้คิดเบียดเบียนตนและผู้อื่นมีแต่ให้คุณประโยชน์ต่อผู้ได้ยินได้ฟังต่อชุมชนและสังคมเพราะนั้น MP3 สแผ่นนี้หลวงพ่อจะไม่กล่าวอะไรมาก